มันจะได้ <c oughs> พบกับผลที่จริงๆเนี่ยหประการนะประการแรกคือสัตตานังวิสุทธิยาเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตนะสัตานังตรง น, นั้นอยาจะต้องพ่วงคําว่าจิตตานังไปด้วยนะหมายความเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของจิตของสัมภสัต ท, ทั้งหลาย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 หมายความว่าทุกและความทุกคือความไม่สบายกายโทมนัสคือความไม่สบายใจเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แต่คาว่าทุกค่ะคือความไม่สบายกายไม่สบายใจระบุเอาไว้เลยนะความไม่สบายกายไม่สบายใจมันจะตั้งอยู่ไม่ได้ข้อนี้ก็ยิ่งต้องพิสูจน์กันว่าคาว่าทุกขาดโทมนัสท่านไม่ได้หมายถึงความไม่สบายใจอย่างเดียวความไม่สบายกายก็ตั้งอยู่ไม่ได้ด้วย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 ความไม่สบายกายคือทุกข์ททความไม่สบายใจคือโธมนัดความไม่สบายกายคือทุกข์ทุกขโทรมานัดเพราะนั้นถ้าเรามุ่งเอาความไม่สบายใจอย่างเดียวนะไม่ได้หมายถึงความไม่สบายกายะจะไม่มีคำสองคำนี้ก็จะมีคําใดคําหนึ่งขึ้นมาอาจจะใช้ค า, yes าว่าทุกขโขอาจจะคําว่าโธมนัสโสคาใดคําหนึ่งแต่นี้ท่านใช้ทั้งสองคำเลย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 ะะเพราะโดยเฉพาะในช่วงในที่เจ็ดวันนี้เราเน้นที่ที่ที่พระนะเลียโยมก็ถือว่ามาร่วมมาแจม <c oughs> แล้วตามกําลังสติปัญญาแล้วก็เวลาของตัวเองทีนี้มาดูข้อต่อไปนะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่งความสุขและความรําไหลลําพันโศกกระปริเทวานังอัดถังขมายะเพื่อความก้าวล่วงเสียซึ่ง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 บรรลุถึงทรรมอันควรบรรลุทีนี้ไอ้ทำอัควรบรรลุในระดับไหนนะในสังห้าข้อเนี่ยเป็นฝ่ายลบใสามเป็นฝ่ายบวกใช่สองอการเป็นจิวิเกเรสติประธานสีได้อย่างบุรณการได้าสามข้อได้ถูกต้องนี่นมันจะเข้าถึงธรรมในสิ่งที่เราควรจะคำว่าควรจะเข้าถึงไมกว่ามันมัน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 มันร้อนไอ้ความเดือดมันร้อนอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไอ้ตัวกทิก็สลายไปน้ำมันก็ปรากฏขึ้นตัวขึ้นเรื่อยๆความต่อเนื่องยังอยู่ตราบใดการแปลกฐทิเป็นน้ำมันก็ปรากฏขึ้นตราบนั้นความต่อเนื่องของความเพียรและสติสัมปชญะที่ถูกต้องต่อเนื่องยาวนานอยู่ตราบใดการแปลเปลี่ยนอารมณ์จากเวทนา ให้เป็นปัญญาก็ปรากฏมากขึ้นขนาดนั้นแปลเปลีป่น pues, <อ>ยนเวทนาที่มันเป็นอยู่ในรูปของสัญญาก็แปลเป็นปัญญาได้มากขึ้นเมื่อปัญญามากขึ้นนั้นหมายความว่าเราจะเริ่มเห็นกายของเราเวทนาของเราเนี่ยมันเป็นสัตตว่ามากขึ้นมันยังมันไม่เป็นเราลนะมันเป็นสัตว์วกายมันเป็นสัตววเวทนาอันนี้เราต้องไม่ลืมหลักเพรหลักมันคือต้องมองให้เป็นสัตตวให้ได้ ส่วนไอ้ความรู้สึกสักตวว่ากายเวทนานเนี่ยมันจะกินเวลายาวนานแค่ไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับว่าเราใช้อดัปปีสติมานต่อเนื่องแค่ไหนแต่ถ้าอายุของการเข้าไปรู้รูปรู้นาม ร, ร, ร, ร, รู้กายเวทนานเป็นสัตวว่สั้นก็หมายความว่าอํานาจของความเพียรหรือสติสมิยะยังไม่เข้มแข็งพอ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 ก็คือสรุปมาจากหลักของอิศิหะพระหจริงจังตั้งใจไปเรื่องของศรัทธาและความเพียรต่อเนือเออ่องไปเรื่องของสติและสมาธิได้ถูกต้องเป็นเรื่องของปัญญ า, าจริงจังตั้งใจต่อเนื่องถูกต้องถ้าทําหลักการอันนี้ได้อย่างาเป็นจริงแล้วเนี่ยโอกาสที่จะรูปนามที่มันเป็นสมมุติอยู่มันจค่อยแปลงเป็นปรมัตดทีละนิดละนิดคําว่าปรมัตดในที่นั้นคือจะ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 จากรูกนามเป็นนามรูปจากนามลูปเป็นนามลว้ลวนๆจากนามลว้ลวนๆเป็นปรมัตตาลำดับขึ้นไปในที่สุดมันก็จะมาเกิดอันนี้ส่งข้อที่หคือนิพพานสัจจิกรณาถายยะ น, นิพพานสัจจิกริยายะเพื่อการทำพระนิพพานให้แจ้ง อ, อันนี้สงข้อนี้ 5, คือเมื่อทาได้เกี่ยวทั้งสี่ข้อมาอย่างถูกต้องแล้วเนี่ย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 จะมีการซักถามมีการตรวจสอบท่องเช้ามาเป็นการอธิบายให้ตัวบทช่วงเย็นจะเป็นการซักถามนะจะเป็นอย่างเนี้ย ต, ตอนกลางวันก็ก็คือปฏิบัติมีญาติโยมมาก็ก็ปฏิบัติญาติโยมไม่มาพราะก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้แล้วเราก็คิดว่าภายในเจวันเราจะทำเรื่องนี้ดูตั้งแต่วันนี้ไปแต่ถ้าหากว่ามีคนมาเพิ่มมา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 แล้วตลอดเจ็ดวันนี้จะไปถึงไหนก็แล้วแต่เด็เขาขอใหอ้ได้เข้าใจว่าเป็นเจตนาเพื่อที่จะเพราะไหนไหนมันกระยอบพรรษาแล้วเนี่ยต้องทำเรื่องตัวบทนี้ให้แจ้งเป็นหลักเอาไวา้เพื่อคนรุ่นหลังติดตามมาฟังมาศึกษาถ้าเขามีอินทรีย์มีปัญญ า, าดีพอสมควรเขาก็อาจจะได้รับผลอันนี้นสงูง ข อ, องการได้ฟังธรรมเทศนาหรือการบรรยายชุดนี้ก็ได้ก็ขอให้เราทั้งหลายที่ตั้งใจเรงนี้จงได้รับผลสำเร็จในเรื่องนี้ก็ขออนุโวทนากระกราาพร้อมกัน